أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لله ا ل ش ف ا ع ة جميعا. لهم الكسَّاعات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إ ِ ش ْ م َ א َ ز َّ ت ْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذ ك ر ا الذين من دونه إذا هم يستبشرون ق ُ ل ِ اللهم ََُّّ فاطر َ السماوات َََِّ والأرض ََِْْ ع َ ا ل ِ م َ الغيب َِْْ و َ ا ل ش َّ ه َ ا د َ ة ِ أنت تحي قوم بين عبادك في مكانو فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لفتدو ا مع به من سوء العذاب ยามัน قيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكن يحتسب سميع الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لمات الله ا ل تما تمن شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر م ع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيّت بالله ربّا وبالإسلام ديناً وبمحمد الرسولاً اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبري ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمي ع وعافني في بطني اللهم فاطر السماوات والأراعم ض الويب والشهادة رب كل شيء ومالك أشهد أن لا إله إلا أنت أعمو بك من شر نفسي وشر س ا ئ ط ا ن وشرك وأن أقترب على نفسي س و ا أو أ ج ر ه إلى مسلم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 วจินาตอาข์ชีฮิวมิดาดาคัลิมัติฮิยา حي ูยา قيوم บรหัม ك ิกาอัตติสุอัลลิฮ ل ิฉะนีคุลลูวลาติ ل ลีอีลาเนฟส์ทัฟฟะตัยน์ฮัสบิอัลลอฮวนิยามลวกิลฮัสบิอัลลอฮวนิยามลวกิล السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลลา คนอื่นเราต้องชุกโร์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และก็ต่าให้กล่าวว่าไงดีอัลฮัมดุลิลละนะครับประโยคนี้แหละเป็นประโยคที่ดีที่สุดสรรเสริญต่ออัลลอ์พูดชมอัลลอ์อยู่ตลอดเวลาขอบคุณอัลลอ์นะครับที่อัลลอ์ให้โรคโควิดมาเนี่ยเรามุ่มินนะ กับคนที่ไม่ใช่มุมินเนี่ยมองโรคโควิดไม่เหมือนกันนบีสั่งนะครับสั่งผู้ศรัทธาต่อร้อนให้มองโรคโควิดเนะ่เป็นรหชมะเป็นความเมตตาแล้วก็อัลลอ์จะให้โรคโควิดเนี่ยมนุษย์คนใดเป็นโรคโควิดก็ได้นะครับ แล้วก็นบีก็สั่งอีกนะครับในช่วงโรคระบาดเนี่ยให้เก็บตัวอยู่ที่บ้านการเก็บตัวอยู่บ้านเนี่ยไม่ออกข้างนอกเนี่ยนี่เป็นศาสนานะเป็นสุนาขนบีเพราะนบีสั่งนะให้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วนบีไม่ได้บอกว่ากี่วันแต่กระทรวงสาธนรสุขบอกว่าส4บวัน แล้วก็อยู่แบบไหนครับสอบิร้อนกักตัวด้วยความอดทนแล้วก็หวังรางวัล น, นะครับจากออลลออีกถ้าหาว่าใครที่กักตัวแล้วดูแลตัวเองอย่างดีแล้วจะออกไปไหนมาไหนก็ใส่แมสใส่จะสองชั้นสามชั้นหรืออะไรก็ตามแล้ ว, ลวก็อยู่ห่างกับผู้คนแล้วกเกิดติดโรคระบาด นะครับแล้วก็บางคนถึงกับเสียชีวิตคนที่ตายเนี่ยเขาเรียกว่าตายชหิดเราอย่าไปดูแคลนครับอย่าไปตำหนิแต่ขณะเดียว ก, กันก็ต้องขอดัอาด้วยดัวนี่อย่าลืมนะขอต้องขอสม่งเสมอ ขอบังเงครับอัลลอฮุมะอินเนาะอุบิกะมินะลบรสิวัลจูนูนวัลจูดามวะมินไซยยิลอัสกอมเนี่ยประโยคสุดท้ายเนี่ยไซยยิลอัสกอมแปลว่าโรคร้ายๆฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากโรคเลื่อนโรคเครียดโรคผิวอะไรดำๆเนี่ยนะ แล้วปรโยกสุดท้ายก็คือมินไซยีอัสกอมโรคราราก็คือโรคโควิด1นีนต้องขอครับขอตอนสู้อยูไไ่ได้ไ้มได้นึกภาษาอาหรับไม่ได้ก็ น, นึกเป็นภาษาไทยนึกในใจเป็นภาษาไทยต้องขอกับแต่ทำอยุ่ลินละจากโรคโควิดมาเนี่ยหลายคนนี่บริจาคซึ่งมมาก่อนเนี่ยไม่มี ไม่เคยคิดที่จะจัดกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ไปดูคนนั้นไปช่วยคนนี้พอโรคโควิดมาเนี่ยหลายคนเปลี่ยนนิสัยจากขี้เหนียวกลายเป็นคนใจดีนี่เป็นรามายาง <c oughs> นี่ครับรามาเลยแล้วคนที่ไม่เคยมามัสยิดนา น, านๆคือวันนี้บนนะอยากจะมามัสยิด่นนี่เป็นรามา ก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่รัฐบาลาคุณนักจุราก็เลื่ประกาศถอนคนให้มามาสถิตได้ดห้ามเรื่องแล้วนะครับเอาวันนี้มาขอบคุณอัลลอฮ์เราทบทวนกุรานอะไอย่างงี้นะนมาดกับหาความรู้จากกุรานเนี่ยอันไหนสำคัญกว่ากั <c oughs> นนมาดห้าเวลาเนี่ยนมา สนุสนานด้วยนำมาดูฮาด้วยนำมาต่ไห น, นะต่หัดยุดด้วยนำมาวิตเตดด้วยเนี่ยกับการนั่งหาความรู้เนี่ยนบีให้ความสําคัญอะไรมากกว่ากันเล่าเลยนะครับนบีบอกว่านาบีให้ความสําคัญกับการศึกษาหาความรู้มากกว่าทำอิบะดักระจนะท่าน فضل العلم เขาเรียกว่าความประเสริฐในการหาความรู้เนี่ยให้ความสําคัญในด้านการศึกษาเนี่ยด้านการเรียนรู้เนี่ยยิ่งกว่าการทําอิบาดะเพราะอิบาดะนี่ได้กับส่วนตัวส่วนความรู้เนี่ยมันได้กับคนหลายคนนอย่างในพ่อบ้านมาฟังตับสีดแล้วก็เก็บความรู้ไปเอาไปสอนใครต่อใช่ไหมเอาไปสอน คนใกล้ชิดอภรรยาเล่าให้ภรรยาฟังให้ลูกฟังให้หลานฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอ้าอายาแรกที่ถูกประทานลงมาหาอับบีที่ภูเขาฮิร้ออายาอะไรอิกเราะแปลว่าอะไรจ ง, ไจงอ่านเห็นไหมจงหานจงเรียนจงศึกษาจงค้นคว้าเช่นนี้ครับดังนั้ น, นเราพูดในเต็มปากว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริม ให้มุสลิมเรียนหนังสือนะครับทำโดลิลล่าอันทีนี้เราให้ความสำคัญกับการอ่านกุอรานเราก็รู้ความหมายของอัลกุรอานนะครับเอาเมื่ออายะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพูดอะไรบ้างพูดเรื่องาฟาฟ้าใช่ไหมอ่าทบทวนเรื่องซาฟา้านิดนึง สภาเนี่ยแปลว่าการช่วยเหลืออนุเคราะห์ในวันตียมะนะครับสฟาเนี่ยอัลลอฮฺจะสภาเฉพาะคนผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเท่านั้นนะคนกาเฟตคนมุชริกคนมุนาฟิกคนยาฮูดีนอสราณีอัลลอฮฺไม่ให้สภาครับสภาเฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเท่านั้นอ่ะทีนี้ คนที่อยจะรับชั้นฟ้าเนี่ยต้องปฏิบัติงานเก้ข้อใช่ไหมข้อที่หนึ่งบันทึกอิหม่ามมุสลิมต้องเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานอยู่เป็นประจำอ่านกุรอานวันละสออายะหสามอายะหสี่อายะพยายามศึกษาหาความรู้นั่งอยู่ที่บ้านตัวเองนั่นแหละประการที่สองนี่จากอิหม่ามมุสลิมนะครับคนที่อ่านสุโร อายอรอละอัสซุรอบบากรออยู่เป็นปกุปอ่านบ่อยๆนะเปิดกุลอานที่อัสซุรอบบากรอมาอ่านอาลิฟลาซาลิกัลกิตาบุลรบฟีฮดิด ล, ลิลมุตตะกีเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับหรือมานั่งที่มัส ย, นนยิดก็เปิดกุอานรนีอ่านจากอิบนาจา๊ะคนที่อ่านตาบารอกับยดิฮิลมุลกววากุลชยอิก็ดีท่ทบทวนของเก่านะ อ่านสุรตาบาร์อยู่เป็นประจำนะครับข้อที่สีบันทึกโดยมามมุสลิมผู้ที่ลุกขึ้นนำมาตัดหยุดอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งหรือจะอ่านบ่อยๆโอ้โ oh, หดีมากเลยนะครับอายุเราก็แก่แล้วลุกขึ้นดูมวยได้ดูนู่นได้ดูนี่ได้หพราะจะจะตัดหยุดก็ขึ้นด้วยมาชา อ, นะอัลลอฮนะอัตอม่าข้อที่ห้าบันทึกโดยมามตบบรนีคนที่กล่าวเนี่ย Allahumma salam ala Muhammad wa ala alihi wa sallam أجمعين ว ل ลสิบครั้งเช้าสิบครั้งเย็นสิบครั้งชมน บ, บีสละวะถึงน บ, บีนะครับข้อที่หนะครับคนที่รับอาดา อ, อัลลอฮฺยีลบหัวอาญาจบภาพเนี่ยเราอยู่ที่บ้านด้ยินใช่ไม a l l a h u a r i t a j a وصلاة القائمات محمدا الوصيلة والفضيلة وبعث ه مقاما محمودا الذي وعده แล้วอันบิบการรับอาจานที่ดีที่สุดเนี่ยพร้อมกับเดินมาสัจิตด้วยนี่เป็นการรับอาจารที่ดีที่สุดนะนี่เป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะต่อมาข้อที่8ปดข้อที่7คนที่ขอ d u า โอ้อัลลอฮฺจะให้ฉันได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺจะให้พระยาฉันได้เข้าสวรรค์ด้วยเถอะอัลลอฮฺจะให้ลูกฉันได้เข้าสวรรค์ด้วยเถอะขอทุกวันวันละสามครั้งอาเช้าสามเย็นสามเห็นยังครับขอให้เข้าสวรรค์ข้อที่แปดนะครับขอให้ห่างไกลาจากไฟนรกท่านคนที่กล่าวว่ารบบนาอัตินาฟิดุลยาฮัสซานา وفِل أخرتي حسّانا وقينا عذابنا วักสุดท้ายเนี่ยให้เราออกห่างจากไฟนรกถ้าต้องขอทุกวันน่ะอย่างน่นวันละเช้าสามเย็นสามข้อที่เก้าเนี่ยห้ามบนเวลาเจอปัญหาเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตอนที่ไปช้าชีวิตอยู่ที่นครมาดีนะบ้านนาบีไม่ใช่กูโบนาบีใช่ไหมมัสยิดนบีอยู่ที่นั่นน่ะ ไปอยู่ที่มารีนาเจ็ดแปดวันเจอปัญหาเดรรอนราบน่นโอ้โหอย่ า, พาเพราะเราติดนิสัยจากกรุงเทพไปเนะี่ยอันนั้นก็บน่น น, บนีกก็บ่นไม่พอใจก็บน่นบางดาบ้างนิสัยแบบนี้อย่าเอามาใชา้ฉะนั้นอย่าบ่นดีกว่านะมอบหมายนะครับขอถวาดีวกว่าแทนที่จะบน่นกขอถ ว, วาอันนี้เก้าข้อดูกันอ่ะทีนี้อธิบายว่าคนที่จะ ได้สภาเนี่ยมยีประมาณหกรายการผู้ที่เขาเรียกว่าสภาอตุลกุบรอการสภาอันยิ่งใหญ่นี่คือเป็นอย่างี้ในวันเกียร์มาจะวิ่งหานาบีกันหาอบกาันาบีอาร์นห้ช่บยหน่อยาหาอบดุลกอานหาอบดุลกอานหอบบรอยาน่าอยบรรันัดานาอบดอาันัดานา บ, านนา บ, นนบนดุบดบอกันหาอับดุกาันด้ ไปหานาบีมุ h ม m m a นั่นแหละคือเรียกว่าชาฟะอัตุลกูบรอชาฟะชาฟะอายชาฟะอันยิ่งใหญ่วิ่งหานาบีทุกคนก็มองไปหาที่ใครนะ่ะนาบีมุัม m m a d คนเดียวช่วยได้นะครับเรื่องที่สองชาฟะให้เข้าสวรรค์ชาฟะให้เข้าสวรรค์อัลลรดีนะดีมากเลยครับเรื่องที่สาม ความดีกับความชั่วมันเกิดเท่ากันจะไปไหนอ่ะเขาเรียกว่าอัลคาบุลอารอฟนะดีกับชั่วมันเกิดเท่ากันก็ต้องไปหานบีมุฮามัดแล้วหาอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์ก็สั่งนบีเอามา ม, มาช่วยขอดรับให้คนนี้พอดีกับเท่ามันดีกับชั่วเท่ากันทําไงไปไหนอ่ะ <c oughs> ก็ต้องขอดรอาให้นบีช่วยให้เข้าสวรรค์ข้อที่สี่นะครับคนที่บาปหนัก เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนแขกอะดีน่าก็ทําเหล้าก็ดื่มแล้วก็ไม่ทันตาบ้าตัวมาทันกลับตัวตายก่อนอะกวิ่งหาคันก็วิ่งหานับีนี่แหละคนที่มีบาปใหญ่ก็ต้องวิ่งไปหานาบับดุช่วยลดบาปให้หน่อยข้อที่ห้านะครับคนที่อยู่ในสวรรค์อยู่แล้วต้องการที่จะเลื่อนขั้นไปอยู่ชั้นพิเศษหน่อยนีนะก็ไปหาอาับดุลเลห์มาใหม่าฉพาะเพื่อเลื่อนนั่นนะยก ยกระดับเพา้ออัพเกรดนะอัพเกรดข้อที่หกข้อที่หนะครับลงโทษอยู่ในนรกคนแค้นนี่นะมุสลิมเนี่ยต้องวิ่งหาอัลลอฮ์ยาแต่คนที่จะช่วยก็คือลดบาปหน่อยมันไฟในมนรมอนพันอง์พันองศาเหลือลดลงมาหน่อยได้ไหมให้มันบากว่านี้หน่อยได้ไหม จะลงมาชาฟะเนี่ยแบ่งออกเป็นหรายเป็นห้าหรายการข้อที่หนึ่งชาฟะได้โดยเฉพอาะนบีสุมัตัดคนเดียวนะครับเรื่องที่สองชาฟะให้เข้าสวรรค์ข้อที่สบาปกับชั่วเกิดเท่ากันต้องชาฟะกันใช่ไหมข้อที่หเนี่ยคนที่มีบาปใหญ่อาจะคนแขกนะขอมุสลิมเนี่ยบาปใหญ่เยอะไม่มีไม่มีแต่มาได้ตาบ้าตัวต่อรอข้อที่ห้าเนี่ย เลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งอะไรนะให้อยู่ในสวรรค์ชั้นพิเศษข้อที่ห้าเนี่ยชฝะเพื่อลดโทษให้มันเบาเพราะโทษเนี่ยมันหนักเกินไปมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันหกอย่าง6อย่างแล้วกันเอาวันนี้มาเรื่องชฝะอีกๆเหมันกันุลลิลลิชฝะตุจะมีอั لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون <تصفيق> قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون อัลฮัมดุลิลลาห์สุบฮานอัลลอฮเวลานี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์เนี่ยนะให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาหรือสุบฮานอัลลอฮเวลาเจออายะที่พูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์เรื่องชพาเนี่ยใครรับผิดชอบอัลลอ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต้องกล่าวว่าไงนะสุบฮานอัลลอฮามาดูคำแปลครับกุลแต่ว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด อัลลอฮ์ส่งยิบรีมมหานาบีนะครับและยิบรีมมหานาบีก็มาบอกว่าเนี่ยอัลลอ์สั่งจะมาะให้ท่านเนี่ยพูดกุลมะหมัดจงไรนะจงกล่าวเถิดลินไลอัชชฟาอัชชฟาแปว่าการไถ่โทษนะครับการไถ่แทนโทษนั้นน่ะเป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์ลินไลเป็นของอัลลอ์ การไถ่โทษอย่มีอันทั้งหมดการไถ่โทษทั้งหมดเนี่ยคนอื่นรับผิดชอบไม่ได้คนอื่นทําไม่ได้ยกเว้นอันลลอฮ์องเดียวนี่เป็นความสามารถอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮันอัลาห์โอถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้เนี่ยมันมีทางแต่ท่านคนนี้อัลลอฮ์จะอนุญาตได้นึงตัวอ่านกุนอ่านจะบ่อยๆเลยนะอยู่บนดุลยาตอนนี้เนะ่ะ แล้วก็สองลูกขึ้นนะมาตาัดยุทอโลบอกเขาว่าเรวก็เดินมามั ส, สยิดรับเสียงอาจาด้วยความดีจะต้องทำอโลมีกี่ข้อเมื่ อ, อคี้เก้าข้อใช่ไหมน่ะอย่าบ่นเยอะนี่เป็นความดีทั้งหมดนี่นะเอาเพราะฉะนั้นอโ ล, ลบอกให้ยิบรีนมาหาท่านนาดีบอกว่ามุฮัมมัดเ อ, อ๋ยจงกล่าวจงประกาศจงได้ว่าจงเชิญชวนบอกว่าลิลลาฮิฟอตุจมียา การไถ่โทษทั้งหมดนั้นเป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์ตัวตเกียช่วยไม่ได้ตัวระยองช่วยไม่ได้ปู่ย่าตายายช่วยไม่ได้เชาฟะเนี่ยไม่มีใครช่วยได้ครับโตกีโตแชโตแซนนอนแซนนี่ช่วยไม่ได้นี่อญญายาเนี่ยพูดชัดไหมชัดเลยครับกุลิลลาฮิเชฟะอะตุยามีอา ผู้ที่จะถ่ายโทษให้ท่านปลอดภัยจากอะไรก็าตามมีอยู่หข้อใช่ไหมจะเข้าสวรรค์ความดีความชั่วเท่ากันหรือคนที่ทำบาปใหญ่ต้องการจะลดมาให้เป็นบาปเล็กต้องการจะจะอัพเกรดในสวนสวรรค์ถูกลงโทษใหญ่หญหญๆเบาๆหน่อยได้ไมาทั้งหมดเหล่านี้ใครรับผิดชอบอัลลอ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวให้นบีมาสอน อย่าไปนึกคนอื่นนึกคนอื่นจะชริกเลยล่ะ <c oughs> เอาต่อมาครับลาหูมุลกุสัมาวาติวัลอาร์ดีลาหูเป็นวัตถุของ Allah. อัลลอฮ์มุลกุเป็ว่าถปริมณฑลนี่บริเวณชายโพชันฟ้าแผ่นดินทั้งหมดนี่นะอัสมาว่าชั้นฟ้าทั้งหมดเจ็ดชั้นวัลอรดีแะแผ่นดินอันนี้ลาเป็นของ อัลลอฮ์กับลิลละกับลาฮูมีความหมายคล้ายๆกันอ่าลิลละเป็นของอัลลอฮ์ลาวก็เป็นของอัลลอฮ์เหมือนกันอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเรามีที่สิบไรดีใจอนะ่ะนี่ทำโลกได้เป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์ท่า น, นอย่าไปดีใจเยอะรออักบัสพอมีเงินต้องนึกะ ก, กาจ่ายเปล่านี่ตลอลดีใจต้องนึกนะดูแลคนยากคนจนหรือเปล่านะต้องดูแลนะ อัลลอฮ์ให้มนุษย์ที่มาเห็นเน่ยเดินออกซิเจนฟรีเดินแผ่นดินฟรีเห็นไหมอัลลอฮ์ทำให้เห็นเนี่ยให้โลกเนี่ยไม่เห็นเนี่ยบุกบ้านฟรีล้วคุณมาหา ก, กินกันเองต่างหากละทุวันนี้เอาต่อมาครับซุมฮิลฮิตูรจออูนและสู่เจ้าจะถูกตุ้ยะเพราะว่าถูกนํากลับยัง Allah อัลลอฮ์ยางพระองค์ใช่ไหม แสดงว่าจะพูดเรื่องชชฟ้าเป็นของอัลลอฮ์อัลลอ์เป็นเจ้าของชันฟ้าแผ่นดินแล้วก็พูดอายาสุธาวางงนในวักสุ้าวางงนะคุณตายแล้วต้องฟื้นฟื้นแล้วคุณต้องกลับไปหาอัลลอ์กันทุกคนไปยอยู่ตรงหน้าอัลลอ์นู่นนะะอััรทีนี้คนที่หันหลังให้กับอัลกรุรอานอ่ะมาคุยกับอลกุรอานนิดนึงนะ คนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานนี่นะเจอโทษสามโทษบนโลกโลกดุนยาก็ถูกอลัมบัดซับก็ถูกอาคิรอถูกอีกเอก้เอาอยู่บนดุนยานี่ถูกอะไรกุรอานอธิบายอย่างนี้นะครับว่ามันอาราบออันวิครีผู้ใดที่หันหลังให้กับอัลกุรอานฟะอินนัละหูมาอีซตันดองกาชีวิตการเป็นอยู่ของเขานี่นะแคบแคบ คงว่าขับแคบประดิา์า อ, อยู่บ้านเล็กนะบ้านใหญ่นั่นแหละมีรถขับด้วยมีงานทำด้วยมีเงินเดือนด้วยแต่ว่าเครียดนี่นี่ใ น, นกุรอานอธิบายไว้เลยนะเครียดเ ม, มื่อวานมีอยู่คนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะความเครียดบาปา่ะตอบไงบอกบาปครับ วิธีรักษาเครียด ห, หายๆเนี่ยอยู่ในศาสนาอิสลามหมดเลยนมาจาัาขาดสิโยงกับอัลลอฮ์สิหัวใจน่ยนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆคลายเครียดหมดนะนมาจาัาขาดรักษา น, าน้ำนมาจาอย่าทะเลาะ ก, กับคนอย่าด่ากับคนเอาหลักการอิสลามมาใช้ละเก้อสุภาพนัลลอฮ์เยอะๆอัสตาฟิรุลลอฮ์ละพันสองพันลองทำดูสิ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างหนึงแล้วก็เครียดเครียดเครียดไอ้คนที่เครียดน่ะหลงดุนยาทั้งหมดนั่นแหละอยากได้เงินก็ไม่ได้เงินอยากได้เมียเมียก็ไม่ได้อยากได้บ้านบ้านก็ไม่ได้อยากได้ที่ดินเยอะๆก็ได้ไม่ได้อยากได้ชื่อเสียงตําแหน่งมันไม่ได้อะเครียดท่านถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้เอาวัลลโอลองเดียวนะ่ะปลอดภัยไหม อ้าวยกตัวอย่างคนที่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยไปสวรรค์นะใครรู้เปล่าที่ดินก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีเมียก็ไม่มีใครรู้บปล่าไซนาบิล่าเราจะลังรออ่านดูมีแต่อาจารย์อย่างเดียว่ะนบีขึ้นมี่ยอรอยไปใช่ไหมมาเลก์กาพาไปเยี่ยมเข้าในสวรรค์เจ้าไซนาบิาล่าเดินอยู่ข้างล่างเนี่ยเขามีอะไรอ่ะยังไม่ตายวันนั้นอยู่ข้างล่างนบีอยู่ข้างบน บ้านก็ไม่มีมีก็ไม่มีนบีสร้างเพิงเอาไว้ติดกับมัสยิดเะนั้นเวลาอยู่ก็เพิงมัสยิดนะแล้วกินข้าวกับนบ <c oughs> ไีได้ไปสวรรค์เพราะอะไรนะฉะนั้นอย่าจะไปหลงอะไรเยอะ <c oughs> ถ้าเข้าใจศาสนาแล้วอั <c oughs> ลลอฮฺอับะดเองมีศาสนาอย่างเดียวนี่นะแค่อาญานก็นมาศ ร, รักสาน้ำนำมาศเนี่โอกาสไปสวรรค์สูงนะ แต่คนรวยๆเนี่ยคิดว่าเข้าเข้าสวรรค์ง่ายเลยถ้าอ่านจากะ ด, ดิษนะอ่านจา ก, กุญอานนี่นะถุกซอบน่ะสอบว่าเอาเงินมาทำอะไรมาเนี่ย เ, เงินตังเนี่ ย, ยเยอะแยะเนี่ยจากกาัดจะกรกลาดูลคนยากคนจนเปล่าแล้วลอสาวในวันกิมัตอบได้หรือเปล่าฉะนั้นอยู่กับศาสนาเยอะๆอยู่กับศาสนาอิสลามเนี่ยรอให้หกอย่างนะเก่ความรู้นะหนึ่งให้บรารกัดในชีวิตสองให้เกียรติยศ อิจจาอันที่สามให้ความสงบสกีนะอันที่สี่นัสรุมมิในอัลลอฮ์การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ข้อที่ห้าอัลลอฮ์รักษาข้อที่หกความสะดวกสบายการคล่องตัวเนี่ยจะตามมาเห็นไหมอยู่กับศาสนาเนี่แหละอัลลอฮ์ให้กี่อย่างหกอย่างผู้พูดภาษาลาศัพท์ขำหน่อยหนึ่งบรารกัดสองอิจจาเกียรติยศสมสกีนะความสงบสุขทางใจเครียดไม่มี ข้อที่สนัสรุมมินละล้อการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เราไม่รู้ตัวแล้วครับข้อที่ห้าอัลลอฮ์รักษาเฮฟลอข้อที่หกสอสูฮูแล้วความสะดวกสบายคล่องตัวมันจะตามมาฮามุลิลละเนี่ยที่เรายืนหยัดอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ยึดกับนมาตอันคุรานริครุลละเนี่ยทำหกข้อเจ็ดข้อนี้แหละที่ท่านนาบีทําเป็นแไว้ยนะ่ะนั่นแหละดีที่สุดเลยฮามดุดลิลละ อาตัวลงว่าข้อที่หนึ่งคนที่อะไรนะหันหลังให้กับาศาสนาให้กับอิสลามให้กับคุรานเอา ล, ล้อให้แลยนะอึดอัดบนโลกดุนยาวางทิศจะฆ่าตัวตายก็ฆ่าตายจริงๆอะ่ะแล้วคนที่ฆ่าตัวตายแบบเป็นไงรู้ไหมไปฆ่าตัวตายในนรกตอออ่ออีกอ่ะอย่างเนี้ยเอาเชือกผูกคอนะผูกคอ เดินไปเอาเชื่อผูกคอวันนันม่รู้กี่แสนครั้งอ่ะครั้งนี้อะไรกันล่ะก็อยู่บนดุนยามันฆ่าตัวตาย อ, ะอ่ะอาจารยใครไม่ใครอย่คดฆ่าตัวคอร่วมอาละวาอย่าให้เป็นคนฆ่าตัวตายเอ้ยนะเรื่องที่สองตอนอยู่ในกูโบโพอตาเสร็จแล้วนะครับน้องตอบคําถามสามข้อได้ไหมหันหลังให้กับ อ, อิสลามหันหลังให้กับ อ, อุเบานเนี่ยก็ถามว่า มันรับบุกกามันนบีอยู่กามาดีนุกามันอิหม่ามบุกาตอบไม่ได้อ่ะ อ, อ้าวโขคอร์ดไม่รู้หน้าเทา่าไรเปรี้ยงไปนะกูบัวท่านคนนะ่ะพอละตายแล้วนะ่ะตื่นหมดนะ่ะอลาวไม่เอาศาสนานี่มันเป็นโทษ ท, ทรมานอย่างนี้ด้วยเหรอตอนอยู่บนดุงยานี่ยหลงอ่ะ หลงกับู่บูรีกัญชาเฮโรอินบ้ากับผู้หญิงบ้าเงินบ้าทองบ้านูน้นบ้านนี้พอตายน้า ก, ก็ บ, บพอกพระพึ่งเะตื่นินอายา่าไม่เอาศาสนาในี่ถูกทรมานอย่างนี้อะไม่เชื่อไม่มีปัญหาให้ใช้ปัญญาก่อนแล้วกันผมกได้บังคับใครนะมีสอนให้อย่างเดียวนะเอาต่อมาครับพอฟื้นขึ้นมาในวันเกียมะอ่าวันนะชุรุหมานติยามาติอามา พอฟื้นขึ้นมาจากกูโบถูกต้อนไปโยทุ่งมาชัดตาบอดเห็นยังครับคนที่หาหลังให้กับอิสลามให้กับอัลกุรอานเจอสามโลกเลยดุนยาก็ถูกอยู่ในกูโบก็ถูกฟื้นขึ้นมาถูกอีกนี่นก็มีกลอานทัหมดเลยแล้วฟื้นขึ้นมาตาบอดก็ประท้วงอัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์จ่าให้ฉันตาบอดทําไม ก่อนจะกุนตัวบาดสริร์ก่อนหน้าฉันเป็นคนตาดีมาก่อนเอเลาอบอกว่าไงรูงไง้ไหมฉันให้กุณอ่านคุณมาหนึ่งเล่มคุณไม่เคยเปิดอ่านเลยทั้งชีวิตของคุณนะฟังก็ไม่ฟังมีลูกก็ไม่ส่งลูกอ่านเรียนคุรานอย่างมีเป็นต้นละ่ะแก้ยังไงครับก็ตาบอดตลอดไปอ่ะแต่ลงนรกอีกอ่ะจุดลงว่าคนที่หาหลังให้กับกุณอ่านเนี่ยเจออาดาบกี่โลก สมโลกโลกดุนยาเครียดหลังตาถูกลงโทษในกูโบตอบปัญหาคำถามมาลยกาได้ไหมไม่ได้ข้อที่สี่ข้อที่สามฟื้นขึ้นมาตาบอดก็มีเป็นต้นเอานี่เล่าไม่ฟังไม่เชื่อก็อได้ไม่มีปัญหาเอาลอมาเดบังคับใครแต่มีปัญญาทำไมไม่ใชไ่ไม่ใช่ปัญญานะครับเอาต่อมาครับอายะที่สี่สบห้าลงมาตายฟื้นไหม อายะที่สี่สิบสนะสิบหครับว่าอีละดุคีรอนลัลลอฮฺอัลลอฮฺอิชมาอัลจัดอุลุลลัฎินาลาอูมินูน์บิลอาคีราะห์ว่าอีละดุคีรอนลอฮฺอาลลอฮฺอัลลอฮฺอิชมาอัลจัดียวุบุล มึงไม่เอาโต้แท้โต้โน้นมาเกี่ยวข้องบางไม่ได้เลยลมขึ้น อ, อิสมาอัสซัตเตอรนะทิงชังคนที่พูดาศาสนาเรื่องอัลลอฮ์องเดียวอ้วนไม่ฟังเห็นยังครับลามีเปล่าจริงครับทีวีอย่างเงี้ยออกเรื่องอัลลอฮ์องเดียวติ๊ปิดๆๆดปอันนี้พวกไหนก็ไม่รู้ มันสอนได้ยังไงอลัลลอฮ์องเดียวแลับตัวย่ออยู่ที่ไหนอ่ะประเพณีปฏิบัติชาวบ้านที่ทํากันมาอยู่ที่ไหนอ่ะประเพ ณ, ปเณีปฏิบัติเรื่องศาสนาเกี่ยวไม่ได้อธิบายให้ฟังนะแท้เรื่องดุญยาเอาไปเลยจะหูงข้าวหมกให้อร่อยถามตัวกี่ตัวยอ่อถ้าจะให้นมัดให้ครูช่วต้องถามนาบีมูฮัมหมัดนู่น ถ้าเป็นศาสนาต้องถามนบีกับถามสุภาบะถ้าเป็นเรื่องดุนยาเนี่ยหมัดไปทํำขโมกได้嘛ถามไม่มัดมาต้องถามนบีว่านบีทําไงไม่ต้องไปถามเลยถามไม้หมัดคนเดียวก็รู้เอาขโมกให้อร่อยใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้เรื่องดุนยาไม่ต้องถามถึงนบีไม่ต้องถามถึงอัลลอฮ์ถามถึงใครถามกับปุยตาญาได้เลยแต่ถ้าเป็นศาสนาต้องถามอัลลอฮ์ กับเราซูนจากกู้อ่านว่าอัลลอฮฺสอนอยังไงนบีสอนอยังไงท่านนี้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเล่าให้ให้นบีมุฮัมมัดฟังรู้เปล่าญาตินบีนาฬกรมกักกะเนทุกครั้งที่ท่านนาบีพูดเรื่องอัลลอฮ์องเดียวนะวะดะหูอิสมาอัจัดหัวใจไปไเป็นไงชิงชังเราเป็นไงเปล่าเมื่อก่อ น, นีเราก็ถ้าไม่เออัวย่องเราก็ พูดต่อลร่อยอย่างเดียวเลยเหไม่มีตัวย่อเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีประเพณีปฏิบัติขามาเรืสมัยก่อนนี่เราก็มีเยอะนะเป็นเราก็เบาขึ้นเบาขึ้นเอาอัาลลอฮ์องเดียวเพียวๆและสุนัขนบีใช่ไหมอัลฮามดุลิละหัวใจกูลูบแปลว่าหัวใจ Allahina บรรดาผู uti, ara, ้ที่ลายุมินูนไม่ศรัทธาบิล่าชีรอต่อวันอารส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่เข้าใจโลกอาขีรอเนี่ยจะไม่เอาอัลลอฮ์องเดียวจะยึดประเพณีปฏิบัติด้วยเอาโตตะเกียดด้วยเอาจเวดเข้ามาด้วยเอาลาดอุจาเข้ามาเกี่ยวเเพราะว่าอาหรับมุชริกเนี่ยเลวสุดๆไม่มีใครเลวเท่ากับมกักกาแลว้ว แต่พออัลลอฮ์ให้กูอ่านผ่านนบีแล้ววันนี้เป็นไงอัลฮัมดุลิลละวันนี้มันมีบาในคับฮาลลนในยิดด่านะและ้วกษสัตว์นำเองไม่ใช่ลูกชากสัตว์นำเองแต่แค่นี้พอความจริงไงเรื่องนี้นนะไม่ต้องน้ำหรอกคนมันชอบอยู่แล้วผู้หญิงผู้ชายเข้าบาร์เต้นกันนะ่ะ อัปแ ต, แตแกแค่น <full miş> <ak> ี้พอแค่ไหนะว้จะดูคิรัลลอฮฺวัหดหูและเมื่อพระนามของอัลลอฮพระองค์เดียวถูกเอ่ยคือเราดวงใจของบรรดาผู้ไม่ศรัทธาในปรโลก ก็จะอิชมาอัสรัดชิงชังเราอยาให้เป็นอย่างนี้เลยนะเอออลอยองค์เดียวเนี่ยอย่าชิงชังนะอัลฮัมดุลิลละอย่างนี้ละสะอาดบริสุทธิ์ศาสนาต้องมาจากอัลลอฮผ่านนาบีเท่านั้นสุนานะานบีเท่านั้นปลอดภัยอย่างอื่นไม่ปลอดภัยตรับวทรงตัวแท้ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละนะเขาเรียกอะไรนะานตาริคารจัดกไม่ปลอดภัยครับ ถ้าจะปลอดภัยต้องอัลลอห์และรอซูลเท่านั้นคือจะปลอดภัยเอาต่อมาครับวไวเดรุกิรัลลาลีนาเมนดูนี่ซุกิร่าแปลว่าถูกเอ่ยเมื่ออัลลาลีนาเมนดูนิสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ถูกเอ่ยอ๋อเห็นยังครับอ่าพูดชัดเลยนะถ้าไปเอ่ยโตกตกเกีะ เออยลาอดาาาอุจรามนาฏเออยพุลักผู้ใหญ่เออยอะไรนะประเพณีปฏิบัติเออยต่อย้ยอนนี่นะอิลาฮุมยัสตาบชิรุนเมื่อนั้นยัสตาบชิรุนพวกเขาดีใจโอ้เห่นยังครับถ้าเอยอยอัล้อเพียวเพียวเออยสุนันนายเพีเพียวๆ ส, สอนอะไรกันเนี่ย คนอะไรทิ้งผู้หลักผู้ใหญ่หมดเลยเหรอที่เขาทำนมาเขาตกนรกหมดิภาษาเนี่ยมันออกมาใช่ไหมล่ะเราได้ยินนะอังขอเล่านะเมืองตออิฟเนี่ยน บ, บีเป็นเมืองตออิฟใช่ไหมแล้วก็ถูกอะไรมาถูกสามรายการถูกไล่ถูกดา่าแล้วก็ถูกควา้างด้วยด้วยหินนะใช่เลือดไหลวันนี้ เมืองต่ออิฟนะ่ะการเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งนะ่ะอาลิมอุลามาตเต็มหมดเลยที่นั่นครับแล้วก็บาดาอาเิมอุลามานี่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้โตฉันแช่ฉันเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะ่ะเคยด่านบีเอาไวนะ้เอาหินควางนบีเอาไว้ไล่นบีออกจากเมืองต่ออิฟวันนี้เขาเสียใจกันนะ่ะลูกหลานเขาเสียใจ ทำไมไม่เอาแบบนั้นนะ่ะมันมาใช้ในเะมืองไทยไม่ได้เลยเคยไล่ซุนนะเคยไล่คนที่สอนซุนนะใช่ไหมไม่ให้ซุนหน้าอยู่ในมันสยิดฉันไม่ให้ซุนหน้าอยู่ในครองฉันต้องเอาซุนหน้าออกให้หมดเหลือประเภทนี้ปฏิบัติเหลือบินอาเหลือของที่ไม่เป็นมาเจอของนบีนะเพน้องพนันี่คนประเภทนี้ต้องนึกถึงว่าธื่เมืองตออิฟเนะี่ยเขาเคยไล่นบีกันนะ เขาเคยคว้ามนาบีก็นะ่ะเขาเคยด่านาบีวันนี้เขาสำนึกตัวกันนะ่ะลูกหลานก็ขออุดมให้อลลอฮฺ อ, อภัยโทษในความผิดที่โตโยของเราได้ทําเอาไว้เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วเอารูปแบบนี้มาใช้ดิเรียกคนสำนึกตัวงอย่างนี้เป็นต้นนะครับของเขสก็เหมือนการมากรบดาซุ น, น่าเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็มาเรียนศาสนานกันก็เปลี่ยนแปลงกันนะ่ะ ก็ต้องขออา้าวโตเราแชเราใช่ไหมที่กาบเจวงเจเวิกันเต็มไปหมดใช้หร้ไม่ใช่นี่ฮะเรื่องอย่างนี้ต้องขอทุอาต่ อ, าออัลลอ์สุภาต่อล้ตกลงว่าถ้าเอยอัลลอห์วาดะูองเดียวเป็นไงครับชิงชังถ้าเอยเจเวติตอื่นจากอัลลอฮ์สิ่งอื่นๆเอาออกจาก อ, า อ, อกัลลอฮ์ผู้ใดดีใจเราเป็นอย่างนี้เปล่าอย่าเป็นอย่าเป็น่เราเทตรงกันข้าม เออเอาลอองเดียวเราดีใจเออเจเวทแล้ไม่ดีใจเอา ง, งั้นนะทําตรงนีนข้างกับอายะนี้เอาต่อมาครับอายะที่เท่าไหร่นะคือตับเซกอธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าคําว่าลาอิลลาอิลออเนี่ยทำให้โลกจเจริญคนที่ยึดอลัลลอฮ์องเดียวนี่นะทำให้โลกจเจริญใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ คนที่รับอิสนะะเนี่ยเจริญหมดนะถูกบละมาอะไรมาเนี่ยเขาให้อภัยอ่ะถูกดามากกว่าให้อภัยอ่ะอย่างนาบีอามัดเนี่ยพอมีอัลลอ์ใช่ไหมที่ถูกด่าถูกไล่ถูกขว้างด้วยหินน่ะนบีให้อภัยนะเพราะเข้าใจครั้งว่าละ อ, อิละอิ ล, อละอัลลอฮ์ยังครับทำไมเข้าใจแบบนั้นไงไล่ขว้างคน่ะด่าคน เอาเห็นกว้างเพราะยังไม่กระจายคำว่าลออิเลออิลลอออลมีองค์เดียวอธิบายยังไงเห็นยังครับวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราเรียกรวมกันบอกว่าให้อ่านคุณอ่านทุกวันนมารยาขาดให้บริจาคสม่ำเสมอข้อที่สี่ให้ขอดูอาข้อที่ห้าให้สิครุลลอกข้อที่หกให้ติดต่อกับญาติพี่น้องดูแลพ่อแม่ตัวเองข้อที่เจ็ดให้ให้อภัยกับคนนี่รูปแบบสุนัขนบีหมดเลย เอาของดีๆมาใช้ท so, ่านถูกด่าให้อภัยได้ไหมได้สมัยก่อนอี้ได้ไหมไม่ยอมนะกูต้องแก้แค้นแต่เดี๋ยวนี้ทำด้วละใจเราสบายขึ้นทำด้วละ่าพาะเข้าใจคำว่าละอิละอิลอรอนะครับเอาสุนันนบีรูปแบบนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อมากับพระที่สี่สกกุล قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَشَهَادَةٌ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ع َ ل ِ م َ ا ل ل َ ه ب ِ و َ ل ش ي َ ا د ِِ أَن تَتَحْكُمُ بَيْنَ ِ ب ا د ِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. الحمد لله. الله أكبر. ق ُ ل ِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ อาลิม ال ah, so hey, ัลลอยบิวัชชาฮะอันตัถคุมบายนะอิบยัิกฟิมากานุฟิฮัคต์ลิฟุนคำเดิมละอันนี้อัลลอฮ์สอนนบีมุฮัมมัดให้ขอดุทธการขอดุทธเนี่ย อัลลอฮ์สั่งนบีนะเมื่อสั่งนบีสั่งพวกเราด้วยไหมอ่าพวกเราด้วยนี่ให้ขอดว้วยขอจากใครครับให้ขอว่าอัลลอวุมเห็นไหมไม่ใช่โอโตะตะเกียจจ่าไม่ใช่โอโตะระยองจ่าไม่ใช่โออะไรจ่าอะไรที่ไม่ไม่ผ่านอลัลลอฮนะ์น่ะพิษมดเลยเนะี่ะ ไปขอจากสิ่งอื่นไม่ได้ครับพวกอาหรับในคนครมา ก, การนี่ยอดเลยถามว่าใครสร้างชานฟ้ามันตอบ น, นี้อัลลอฮ์สร้างชานฝ้าแผ่นดินแต่เวลาขอเนี่ยมันขอจากจเจวิต <c oughs> ขอจากจเจวิขอจากราชอุซามานาตพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันอัลลอฮ์สร้างชานฟ้ารู้ไหมพอจะรู้แต่เวลาขอ ต้องขอตัวตะเกียด้วยะจะแต่งงานลูกนี่ต้องไปหาหมอด้วยให้หมอมันดูดูแลดูเลิกดูยามนี่ความรู้เนี่ผ่านพูดธหมดเลยอ่ะไมอิสลามนะเหนยังครับท่านการหยุดสอนศาสนาได้ไหมหยุดไม่ได้ครับอาจารย์ี่ตน้นกายอธิบายอย่างนี้คนที่ดูถูกดูอามีเปคนที่ดูถูกดูอาอยู่ในสุรร้อ กอฟิดเพราที่สี่อาจะที่ยี่สิบหกใช่ไมฟิรัอูนดูถูกดูอ่านกษัตริย์ฟาโรดูถูกดูอาพูดว่าอย่างนี้ไปเปิดดูนะว่าก่อลฟิรัอุนฟิรอูนพูดว่าเนี่ยอัลลอฮ์เอาคําพูดของฟาโรดเอาไว้ในคัมภีร์อักุรอานให้มุสลิมได้อ่านได้พกว่าฟาโร่พันพูดอะไรเกี่ยวกับอัลลอฮ์และเกี่ยวกับนบีมุซาร์รวยไหมจะรูนี อักตุลมูซาปล่อยให้ฉันคนเดียวฉันจะฆ่ามูซาเองนี่ภาษาของฟาโรฟิเรนอลนะอัลลอฮเก็บไว้ภาษานี้ดูนะครับพี่ครูอาซุลกอฟรอายะที่ยี่สิไปเปิดดูแล้วก็พูดไงรู้ไหมวายะอักตุลมูซาฉันจะฆ่ามูซาเอง นี่ภาษากกูจะฆ่ามึงอ่ะที่ภาษานี้ภาษาใช้ไม่ได้อ่ะมึงแน่นะกูฆ่ามึงอ่ะนี่ฟาโร่เอาไปใช้และอัลลอฮ์ก็เก็บภาษาของฟิราห์ไว้ใ น, นกัมภีร์กูอ่านมุกมินอย่าพูดคานี้กูจะฆ่ามึงอ่ะคุณไม่สช่ฆ่าคนนคุณสอนเ้าไม่ใช่ด่าเขาไม่ใช่ฆ่าเขานี่กูอ่านรับแล้วก็ตอบมารม วัายาดเรารบบาหูปล่อยให้มันขอดูอาไปเถอะดูอาช่วยอะไรได้เห็นยังฉันจะจัดการกับมูซาเองฉันจะฆ่ามูซาเองปล่อยฉันคนเดียวฉันจะฆ่ามูซาเองวายาดเรารบบาหูปล่อยให้มูซานั่งขอดูอาไปเถอะการขอดูอามีอะไรหน่งตำแหนิงนบีมูซาเป็นทูตของอัลลอฮฺ เป็นนบีของเราแล้วก็ดาดาดูอาอีกให้มูซานั่งขอดูอาไปเถอะดอูามีอะไรหรอนบีมุฮัมหมัดมาสอนต่อดูอาสำคัญในชีวิตมากเลยตอนคุณบ้านิกะนะนีการ์นะพอดิการ์เสร็จได้มาว่าไงครับอัลลอฮมาบาริกแล้วกัมาบาริกอะไกวจะมาใบนะุมาฟิขัยเขาทำไมอ่ะ อาจจะออกจากบ้านขอดวอ่าป่าบิสมิลา ล, ล, ลาฮิระห์มานโตฮ์อัลลอฮิวะลาฮูลาวะลาอูอะลลอฮลลอฮขอทำไมอย่าขอสินี่เราก็แนะนำผู้ศรัทธาทหลืหลายจงขอดูอ่าเยอะๆมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยขาวมาหาผมเด็กหนุม่มตายในห้องน้ำลม้มแล้วก็หัวเนี่ยไป จุ่มกับเลยนะกระป่องตายได้ยังไงคนแข็งแรงนะน บ, บีสอนนะครับก่อนเข้าห้องน้ำต้องอ่านดูาก่อนอัลลอฮุมะยินีเอาจุบิกะมินัลคุบุเซวัลคาบะอีซีเพราะชัยตอนอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เวลาเข้าอ่านดูาก่อนแล้วเข้าด้วยเท้าไรเ ท, ท้าซ้ายแค่นังครับ นี่แสดงว่าเราไม่เราไม่รู้นะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในกทมนี่แหละครับแล้ว เ, เรืเร่องนี้มาถึงผมด้วยลมในห้องนา้าตายในห้องน้ําหัวจุม่มน้ําอยู่ในโลงอยู่ในกระป๋องพอจะนึกได้ไหมเพราะอะไรนี่ใช่ตอนใช่ไหมใช่ตอนแก้มด้วยอาจจะเราอ่านอาจจะมาได้อ่านดูอาก็ได้หรืออาจจะดูถูกดูอา ด, ดูอาไม่สําคัญแตบบ่ฟารองอะ ฟาโรตายที่ไหนไหนน้ำเยังครับฟาโรตายในน้ํา <c oughs> แล้ะศพยังอยู่อล็อกเก็บศพเอาไว้อไม่เชื่อก็ได้แต่ให้ใช้ปัญญาผมกม็ด้บังคับให้เชื่อผมนะเชื่ออล็อกไม่เชื่อก็ได้แต่ใช้ปัญญานิดหนึ่งถ้ามาอลอเก็บเรื่องฟาโรเอาไว้ตายในน้ํา นั่นห้องน้ำกับมันกันอย่าดูถูกครับข้าวห้องน้ำนึกเรียนซะยังไม่เวลายังไม่แก่เรียนเถอะเอาตอบมาครับนี่อัลลอฮ์สอนนนบีนะครับนี่เนดะอานะอัลลอฮุมมาโออัลลอฮฺฟาติรสามะวัดฟาติต์แปลว่ า, า, ว า, า, วาผู้สร้างหรือเนรมิตคำว่าเนรมิตอธิบามันสร้างไว้ไม่มีแปลน ฟาที่รัสมาวัตอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้เนรมิตชั้นฟ้าโดยไม่มีแปลนไม่ได้ลอกเลียนจากใครวันอาทิแล้วก็สร้างแผ่นดินมาไม่มีแปลนเหมือนกันนี่เป็นดวอานะให้ท่องให้จําอาลิมาลอยบีอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อัลลอยสิ่งพ้นญาณวิสัยเรื่องรักทั้งหมดอัลลอฮ์รู้หมดเลยวาชฮาะนะเรื่องที่เปิดเผยที่คนมองเห็นอัลลอฮ์ก็รู้หมด อันตรตักคุแท้จริงพระองค์เนี่ยตะกคุณบริวาตัดสินใบในาอิบาดะกะในระหว่างปวงเบาของพระองค์ฟีมากานูฟียักตาลิฟูนในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันเราขัดแย้งกันเรื่องอะไรยังมีสารอีกสารหนึ่งในโลกอาคิรออย่าคิดว่า สาม น, นี้จบแล้วฉันชนะแล้วฉันแพ้แล้วมาต้องห่วงจะมีอีกสามมีอีกแต่พวกเราอย่าไปขึ้นสามเรืบ่อยฉะนั้นเคลียร์กันก่อนก่อนตายเนี่ยเคลียร์กันเลยครับไปขอมาอัพกันซะจะได้เข้าวสวรรค์ก็ต้องไปนั่งรอรอมาลิกรออาบิดีนขอมาอัพบ่อยเพราะว่าตัวอยู่บนปุยญาดาวันไปเยอะ ไม่ได้ขอมาอาับเองรอทําไมแสดงว่าเองไม่ไไ เ, มเข้าใจอิสลามถ้าเข้าใจสุนทรนาบีก็จะรีบขอมาอับกันก่อนตัวอย่างคือภรรยานบีมุฮัมมัดเนี่ยเขากดเถียงๆกันเพราะรู้ตัวเองไม่สบายก็ไปเขาสั่งเลยไปบอกคนนี้มาเยี่ยมหน่อยบอกคนนี้มาเยี่ยมหน่อยพอเขามาก็ขอมาอับนะนั่นภรรยานบีทําเป็นแบบให้เราเห็นวันนี้นั่คนที่ด่าภรรยานบีมีไหม มีครับเราดาก็าทำไมอ่ะเราคุณยังไม่ขอมาอามขอเจอในวันเกียรติมาดเังไอย่างนี้เป็นต้นตกลงว่าอายานี้เป็นอัลลอฮ์สั่งให้นบีขอดูอาและดวอานี่ผมผมใช้ประจำนะตัวอาตอนเช้าเนี่ยตอนสุบวนนี้ผมอ่านแล้วนะอัลลอฮุมะฟาติรัสมาวะทิวลอารามัลไกรบิวัชฮะดาห์รับบิคุลิชาอุมะลีกะ أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك ه وأن أ ق ت ر ي ف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم ถ้าไม่อ่านก็อ่านคุณอานอัจฉรย์นี้เลยตอนเช้าเช้าอ่านหรือพอตื่นตะฮัดยุทอ่าพอตื่นขึ้นมาจากตะฮัดยุทต้องการจะนมาตะฮัดยุทให้อ่านอุอาบุนี้ اللهم فاطر السماوات و ا ل أ ر ا ل ي الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان ا وفي يختلفون الله أكبر. اللهم ك ب ر اللهم ف ا ت ر السماوات و ا ل أ ر ا ل ي الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في مكان ا وفي يختلفون ต้องท่องแล้วอาธิษฐานจำไม่ท่องเนี่ย <c oughs> ก็ต้องเปิรอ่านดูดูทุกวันทุกวันดู ว, นวันเดีะกว่าจำนะนบีนบีบอกให้อ่นนานนบีสั่งท่านอ บ, บดุลเบครอดิยัลลอฮ์องอนรูบอกว่าตอนเช้าเช้าก่อนตะวันขึ้นหลังจากนมาสุโบอ่านดุอาบทนี้ตอนเย็นเย็นหลังจากนมาตอซัด จนกว่าดวอาทิตย์จะตกอ่านุาบทนี้ก่อนนนอ่านอุราบทนี้นะเอาต่อมากับอายาที่สี่สเจลูอันลิลี่นงลามูมาอรมีอมลมา ل َ ف ت َ د َ و ب ِ ي ه مِنْ سُوءِ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ و َ ب َ د َ لَهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ ي َ ح ْ ت َ س ِ ب ُ ن َ و َ ل َ و َّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ ج َ م ِ ي ع ا وَمِثْلَهُ مَعَ ละฟตัดดาว bih min suil azab biyoom al qiyamah وبدالدهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الحمد لله ن ع و ه بن องนี่อีกอายันนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ผ่านมาเรื่องขอดูอาจะดูถูกดูอาขอเยอะๆดูอาแม้แต จะได้เชือกรองเท้าขามีตามซื้อนะมีแต่อัลลอจะาอยากได้เชื่อกรองเท้านี่นบีสอนอย่างี้งครับอามาเจออายะที่ี่สิบเจ็ดอายะนี้ตัการจะสอนอย่างนี้คนที่มีทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดบนโลกดุนยาใบนี้เวลาเจอโทษเจอการลงโทษนี่นะ อยากจะไถอ่อยากจะไถยตัวเองไม่ให้ถูกลงโทษก็จะเสนอว่าเราจะฉันมีที่ดินอยู่พันไร่มีบ้านเช่าอีกร้อยห้องมีรถแท็กซี่ติดจอดอยู่เฉยๆพันคันเอาไปมามขออย่าให้ฉันตกนรกลยอเรารับไหมไม่รับเข้าใจนะ เอาอะไรมาถ่ายไม่ได้จะมาขอถ่ายตัวไม่ให้ตกนรกไม่ให้ถูกลมโทษไม่ได้อลลอฮ์ไม่รับถ้าจะรับก็หนึ่งคนที่อ่านคุรานอ่าคนที่บริจาคคนที่จิกุรุลลอคนที่ลุกขึ้นนมาแต่หยุดไอความดีตรงนี้อลัอลอลอฮอัลลอฮ์ช่วยหมดเลยแต่ถ้า الذينا الظالم ولو أن ل ل ذ ي ด ظ ا ั م น, น, น, นะและถ้าหากว่าบรรดาผู้อาธรรมโจรหมู่ผู้อาธรรมผู้อาธรรมอธิบายยังไงมี3กลุ่ม 1. คนที่ปฏิเสธอิสลามเขาเรียกว่าอาธรรม 2. คนที่ไม่เชื่อนบี ม, มุฮัมมัดไม่เชื่อสุนนะนบีด้วย แล้วก็สามเชื่ออัลลอ์เชื่อรอซูลแล้วก็ทำชีริลกด้วยไปหาตัวตะกี่ด้วยนี่สามกลุ่มสี่กลุ่มนี่หมดเลยเขาเรียกว่ารอนเร็มอลมูถ้าหากผู้ที่รอเรมคนที่ปฏิเสธอิสลามดูถูกอัลลอ์ด่านบีด่าสุนนะนบีปฏิเสธนบีตั้งพาคีกับอัลลอฮ์ทำหลายกลุ่มเนี่ยรวมกันแล้วนี่นะ เรียกว่ารอลาโมคนไรนะคนอธรรมมาฟิลอาเรดามีอาสินที่อยู่มาถึงทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่บนโลกใบนี้ทั้งหมดวามิสลาหูมาหูและยังมีอีกเยี่ยงนั้นมาถึงเท่ากับเอกมรอีกสองเท่าไงของมีอยู่แล้ววามิสลาหูมาหูล้อีกเท่าหนึ่ง ลัตาเดาบิฮีมะขอไทยมินซูอิลอาดับจากความชั่วการลงโทษยาวม์มาลงเกียรมาในวันเกียรมะอลัลลอฮ์รับไหมไม่รับมะขอไทยตัวเอาทรัพย์ไปเอาที่ดินไปเอาบ้านไปเอารถไปเอาอัลลรับไปที่อลัลลอฮ์ให้นะไทยอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ว่าไงรู้ไหมฉันไม่รับ ใจนะแต่ที่จะเลืมนะคนไม่เอาอ er er er er eh er ัลลอ์อยู่บนดุนยาเนี่ยอัลลอ์ให้เพลินหมดเลยอ่ะเอาใช่เลยไม่ใช่จริงครับไม่นามาดอัลลอ์ให้เพลินให้มีผู้หญิงสวยๆเป็นดาราด้วยอย่างครั้งที่แล้วชื่ออะไรโจเจเจออะไรผมอยากเริ่มเชื่อนะโจเห็นยังครับเป็นไงอ่ะนี่เทสนะ เทศบนญบุญญาให้เห็นนะโลกอารยรชนหนักกว่าที่ไม่รู้วกี่แสนเท่าอ่ะนี่ให้เห็นบนดุญญาเอาไปเลยผู้หญิงเป็นดาราด้วยมีบ้านใหญ่ๆมีสะน้ำด้วยมีรถเป็นยี่ห้อดังๆในเมืองไทยในโลกนี้เลยเอามาเลยคงได้ไนะฮะนึกถึงไซนาบิลานนึกถึงฟาโร่รวยขนาดไหนคอรูนรวยขนาดไหนชีวิตผ่านไหม ไม่ผ่านถ้าลงอะไรอ่ะ <c oughs> ฟาโรยังไม่ผ่านกอรูณไม่ผ่านอะรวยขนาดนี้ ถ, ถือลูกกุญแจถือลูกกุญแจคนแบกตั้งเจ็ดแปดคนยังไม่ผ่านเลยอ่ะแสดงว่าเงินช่วยไม่ได้เลยอ่ะตำแหน่งชื่อเสียงช่วยไม่ได้ถ้าจะช่วยได้ต้องอามันกุสอละ่ะอามานูวะอามิลุสโอลิฮะท่านั้นที่จะช่วยได้ เอาต่อมาครับว่าบาดาลาหุมบาดาบาว่าเกิดขึ้นลาหุม um กับพวกเขามินลอยจากอัลลอฮ์มาลำยะกูนูยสยะตตสิบูที่พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเขาที่เขาคิดไม่คิดไม่ถึงว่ามันจะมานะ่มันมาครับของที่มนุษย์คิดไม่ถึงอ่ะ มาถึงอาซาบการลงโทษในวันเตีย ม, มางเนี่ยจะมาโดยคิดไม่ถึงมันจะปรากฏขึ้นเลย อ, ลอัลอลอฮฺอักบารุลลอฮฺอัลลอฮฺจะทำไมเป็นอย่างงี้อย่างนี้เป็นต้นครับตกลงว่าคนตาในสภาพที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺเนี่ยเจออาซาบในกูโบ่เจอหรือไม่เจอ ไ, ไ, ม, จอไม่นามาดไปเจออาซาบกูโบ่ทศยศต่อพ่อแม่ไปเจออาซาบกูโบ่ ไม่ใจสกาศไปเจออาซา ก, กุโบนะครับไม่รู้จักสุนทรนบีเจออาซา ก, กุโบไม่อ่านอัลกุรอานเจออาซา ก, กุโบนี่อธิบายให้ฟังผ่านนาบีมุฮัมมัดยุนะครับพีกุรอานไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อแต่ให้ใช้บัญญานะครับอาต่อมาฮยสุดท้าย <S <S ว่าบัดาละฮุม ไซอัตุมักซาบูวะฮะกบห์มักนยะตฮ์ูบดลหมไอัุมักซบวะกับห์มักนูยะตฮ์ูบดาว่าปรากฏ ละหุมแก่พวกเขาสซอาตความชั่วทั้งหลายมากระซาบูที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้บนโลกดุนหยาวาฮาก็แปลว่าสกัดล้อมบิหิมแก่พวกเขามาการุสิ่งที่พวกเขายัาสตาซิอูนเยอะเย้ยดูถูกเยียดหยามพูดชค่นี้เองต้องอธิบาย ย่อเยย์ใครย่อเยย์นบีมุฮัมมัดยอะเยย์สุนนะนบีอัลลอฮ์เห้ยยังครับคนที่ยอะเยย์นบีมุฮัมมัดถามว่ามีไหมล่ะมีอยู่คนหนึ่งยอะเยย์คุรานนะครับเอากุรานมาเผาก่อนตายเนี่ยตัวเหม็นหมดเลยคนเข้าเข้าไม่ได้นี่ข่าวมาจากมาเลเซียนอนอยู่โรงพยาบาลเลยตัวเหม็นหมดเลยอะเสือไปเสือมาอ๋อเคยเผากุรอานของอัลลอฮ อัสตะเบลลาเชิญเลยครับเชิญทำลายกุอรอานไปเถอะเชิญทำลายสุนนะนบีเถอะแล้วจะเจอเองเอัลล้อไม่ปล่อยครับนี่งไงอ้ออาจารย์นี่ชัดเจนไหมวาบดาละหุมยซอะตุมากะซะบูความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้ ประกอบเอาไว้บาดาลุมจะปรากฏขึ้นเห็นยังครับอาจจะเป็นก่อนตายาในโรงพยาบาลในบ้านเขาก็ได้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาแต่ที่แน่ๆ น, นะเกิดขึ้นหลังตายครับก็เกิดขึ้นในโลกอาคิรอวะฮากอบีหิมแล้วก็ได้สกัดล้อมพวกเขาไว้หมดแล้ว มาการยาสตซฮิูที่พวกเขาได้เย่อเย้อดูถูกเหยียดหยามใครนบีมุ hammad ถ้ายุคก่อนก็เย่อเย้อนบีนูฮ์นบีมูซานบีอิสารนบียูซุบนบีอิลยาสนบีทุกยุคทุกสมัยส่งนบีมาถ้าไปด่านบีตําหนินบียอะเย้นบีเอาสุน่านนบีมาไม่ใช่ไม่ต้องดูถูกนะเจอหมดอัลเล่าให้ฟัง มีอยู่ครั้งหนึ่งนบีเนี่ยนั่งอยู่กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งเด็กหนุ่มคนนี้กินข้าวด้ยมือซ้ายนบีว่าเปลี่ยนกินด้วยมือขวาสิเด็กหนุ่มมันข้านฉันกินไม่ถนัดนบีว่าตั้งแต่วันนี้ไปคนยกมือขวาคุณไม่ได้แล้วจริงครับไปพูดขวางสุนน้ำขวางนาบีต่อหน้านาบีเลยเห็นยังแล้วก็ เป็นน้อยเลยเนี่ยอมามพัตอามาพูดไปเลยนะแขนขวายกไม่ได้เลยวันนั้นถ้านทายกมือนะไปกินครับกินได้เลยเพราะนบีบมดกินสินี่ไงดูถูกนบีเหยียดหยามนาบีเหยียดหยามสุนัขานาบีด้วยเพราะของที่นบีพูดนะเป็นสุนัขนาบีหมดเลยวันนี้ก็เหมือนกันครับอลัลลอฮ์ไม่ให้เห็นนะเอาไปแต่จะเจอแน่นๆก็คืออลัลลอฮ์ให้เห็นในะสมัยนบีนะเพื่อให้กลัววันนี้อลัลลอฮ์ไม่เห็นครับ เอดานบีมีบ้านใหญ่ๆตัวมีเมียสวยๆด้วยเชิญตามสบายเราไม่ได้บังคับใครนะแต่ให้ใช้สมองมรเบลากะสุบานะก็ลลอัลลอบิฮัมดิกะอลลัลลอฮวุอะลัยฮิวะสุฮบิฮิอัอีลฮัมดุลิลลาฮอบิอล